เนื้อหาในตอนปลายปลายไปแล้วเนี่ยจะเป็นข้อความเชื่อมโยงกับพุทธวงศ์ในมหาปริญพานสูตรนั้นเป็นพระสูตรที่กล่าวถึงประวัติของพระพุทธเจ้าและพระธรรมเทศนาที่พระองค์แสดงเหตุการณ์เรื่องราวประมาณพรรษาที่สี่สิบสี่ถึงสี่สิบห้าเกันน่นะ เหตุการณ์ก่อนจะเข้าพรรษาปีที่ถ้าพระชนมายุ ข, ของพระพุทธเจ้า ก, ก็คือปีที่ 79-80 นั่นเองคือพระองค์นั้นประทับอยู่บริเวณเมืองราชครึกออกพรรษาจากเมืองราชครึกก็จาริกไปเรื่อยแล้วก็ไปจำพรรษาที่เมืองเวสาลีหรือภัยาลีก็อยู่ที่ภัยาลีเรื่อยจนถึงโน่นพระองค์ก็ไป สาวัถีก็กลับมาจากสาวัถีโคจรมาทางราชคึกอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วพระองค์ก็ไปดับขันปรินิพานที่เมืองกุสินารามันก็เป็นเหตุการณ์ช่วงปลายปลายพุทธกาลหรือว่าปลายปลายพุทธสมัยปลายปลายของพระพุทธเจ้าทีนี้เหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยนะเหตุการณ์บ้านเมืองในสมัยนั้นนั้นก็ ไปอย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่ามนุษย์ถ้าอายุต่ำกว่าร้อยปีนี่กิเลสค่อนข้างมีกําลังกิเลสค่อนข้างรุนแรงกุศลก็ทำแล้วว่า ง, งั้นเถอะแต่บาป ก, ก็ไม่เลิกหมายเขาว่าได้เหตุปัจจัยพร้อมก็ทําบาปเมื่อมีเหตุปัจจัยก็ทําบุญหมายว่าเขาพร้อมที่จะทําบุญก็ได้พร้อมที่จะทําบาป ก, ก็ได้คือถ้าอยู่ในสมัยพุทธกาลสมัยที่พระพุทธมีพระภาคยังทรงพระชนอยู่สมัยที่มีบัณฑิต เมื่อมีผู้แนะนำบอกสอนเขาก็พร้อมที่จะทำบุญแต่ก็ทำได้ระดับหนึ่งในขณะเดียวกันความที่สังคมสิ่งแวดล้อมในลักษณะนั้นก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิดพยาบาทเป็นเหตุใกล้ให้เกิดมิจฉาทิฐิพร้อมที่จะเป็นบาปและเป็นอกุศลอย่างในมหาปริณิพานสูตรนั้นขึ้นต้นด้วยเรื่องราวของพระเจ้าอาชาติศัตรูนะพระเจ้าอาชาติศัตรูซึ่งหมันไส้ มันไสอะไรมันใ ส, นใสกษัตริย์ลิชวีมากเนีนะนะเกลียดเลยนะโกรธมากเลยว่าจะต้องทําลายบ้านเมืองนี้ให้ได้ภูกเวณเอาไว้เลยเออมันก็เนื่องจากว่าศึกชิงวัตถุกรรมทั้งหลายนั่นแหละศึกชิงสิ่งที่น่าปรารถนาก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะนะอ่ามันมีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านอันนี้เนี่ยมันเป็นหมู่บ้านที่มีผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องกันอ่ะนะ หมายความว่าเป็นหมู่บ้านที่ก็เหมือนกับสมัยใหม่นะแถวอินเดียก็คือแคว้นแคชเมียนนั่นแหละที่มันทะเลาะ ก, กันอยู่นั่นแหละแบ่งแยกดินแดนไม่มีสิทธิ์ไม่มีจบมีสิน้นนี่ก็คล้ายๆกันคือเนื่องจากว่ามีหมู่บ้านหนึ่งอะ่ะในปัตตานคามแราใกล้ๆปาตลีบุตรเป็นต้นเนี่ยแห่งแม่น้ำคงคาพระเจ้าชาติศัตรูนี่มีอานาจบริเวณนั้นประมาณครึ่งยศก็คือแปดกิโล เจ้าฤาษีทั้งหลายก็มีอำนาจเทือกนั้นน่ประมาณ8กิโลเหมือนกันนั้นตำบล น, นี้จึงเป็นสถานที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจปกครองของพระราชาสองพระองค์คือมันว่ามันกินอาณาเขตกลางคล้ายๆแทบจะ ก, กลางหมู่บ้านหรืออีกในหนึ่งเนี่ยเป็นสถานที่ที่สิ่งมีค่าตกมาจากเชิงเขาในพระเจ้าอาชาตสตรูเนี่ยไปเก็บผลประโยชน์จากตรงนั้นเนี่ยได้น้อยมาก กษัตริย์ลิชวีเอาไปหมดเลยกษัตริย์ลิชวีเนี่ยเขาเขาฉลาดกว่าว่างั้นเถอะเขาฉลาดกว่าเขาไวกว่าและเมืองลิชวีนั้นปกครองกึ่งประชาธิปไตยกึ่งนะแต่หมายความว่ามันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยทั้งหมดแต่ปกครองอยู่ในแวดวงของเจ้าแต่เจ้าทั้งหมดเนี่ยมีอยู่เจ็ดพันกว่าองค์นะพวกเจ้าเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนวาระกันขึ้นครองราชก็จะหมุนเวียนในระบบเจ้าทัา น, นเจ้านี่จะมีการประชุมสภา คือคล้ายๆกึ่งกึ่งประชาธิปไตยแต่ก็อยู่ในในคนกลุ่มหนึ่งจะไม่ไม่สู่สาธารณชนส่วนราชครกนั้นปกครองด้วยโดยสมบูรณ์อนายาสิทธิระคืออำนาจทั้งหมดเบ็ดเสร็จไว้ที่พระเจ้าอาชาติศัตรูแต่เพียงผู้เดียวไม่เหมือนกับเมืองไผ่สาลีเมืองไผยสาลีนั้นขึ้นตรงต่อเครือญาติ น, นะเครือญาติวงใหญ่ของกษัตริย์ดิชวีนเนื่องจากว่าผลประโยชน์ ตรงนั้นเนี่ยนะตรงคาบเกี่ยวหมู่บ้านชายแดนระหว่างแคว้นวัดชีกับแคว้นะมะคตเนี่ยมันไม่ค่อยลงรอยกันเมื่อไม่ค่อยลงรอยกันทํำยังไงสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทรับอยู่บนภูเขาคิจกูดใกล้กรุงราชครกทีนี้พูดในเมืองราชครกนั้นพระราชาอาชาตศัตรูผู้เป็นใหญ่ในแคว้นมคตโอรสของพระนางเวเทหิมีพระราชประสงค์จะเสด็จไปปราบปรามแคว้นวัชชี แควนวัชฉีก็คือเมืองไผ่เครียกแคว้นเนี่ยแคว้นวัชฉีเมืองหลวงชื่อว่าเมืองไผ่สาลีนะไผ่สาลีนั้นก็อย่างที่รู้กันก็คือใกล้ๆเมืองไผ่สาลีก็มีป่ามหาวันนะนะป่ามหาวันพระคันทกุฏีที่เราไปกราบไปไหว้หกันจะไปที่แถวๆป่ามหาวันใกล้กรุงไผ่สาลีไม่ใช่ตัวเมืองไผ่สาลีะนะก็ปรมนิปที่เรียกว่าป่ามหาวันทีนี้พูดถึง พระเจ้าชาติศัตรูนั้นเนี่ยนะอยู่ที่เมืองราชคฤห์แต่แคว้นที่ปกครองเนี่ยกแคว้นมคธกับแคว้นอังคะมีอยู่สองแคว้นด้วยกันนีนพระเจ้าชาติศัตรูนั้นตรัสอย่างนี้ว่าพวกเจ้าวัดชีทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะเจ้าวัดชีก็คือกษัตริย์ปกครองแคว้นวัดชีเนี่ยมีฤทธิ์มากหมายคือว่ากษัตริย์กลุ่มนี้สามมัธยีกันดีมากเขามีอยู่เจ็ดพันกว่าองค์ นะนะกษัตริย์ที่ที่มีอำนาจออกสิทธ์ออกเสียงในบ้านเมืองเนะี่ยอยู่เจ็ดพันกวองค์เป็นกษัตริย์ที่ร่ำแต่ละองค์ก็ร่ำรวยอ่ะนะแล้วก็กษัตริย์เหล่านี้มีอนุภาพมากก็หมายความว่าชํานาญในการรบนะนะชนาญในการรบจัดกระบวนท่าเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องถอนทําลายแว่นแควนวัดชีเนี่ยใชเราจะต้องทําลายจะต้องทาําให้พินาทย่อหยับจัดทําแคว้นวัดชีให้พินาดจัดทำแคว้นวัดชีให้ถึงความ ย่อ ย, ยับเนี่ยนะก็คือก็ผลประโยชน์ที่จริงทะเลาะ ก, กันเพราะน้ำผึ่งหยดเดียวนะน้ําพึ่งหยดเดียวแต่จริงพระเจ้าอาชาตศัตรูก็คือถ้าขยายแคว้นไปได้อีกหนึ่งแคว้นแล้วก็แคว้นวัดชีส่งสวยมาให้ตัวเองบ้านเมืองตัวเองก็ร่ํารวยเนี่ยนะนะก็อย่าลืมว่ากษัตริย์นั้นไม่เคยอิ่มในแผ่นดินโบราณยิ่งกษัตริย์โบราณเนี่ยไม่เคยอิ่มในแผ่นดินจะขยายอาณาจักรไปเรื่อยๆอย่างอะไรนะสมัยก่อนเนี่ยพระเจ้าเอเล็กซานเดอร์ก็ขยายอาณาจักรมาครอบงาเอเชีย ทีนี้เจงกิสคานก็ครอบงอำอํานาจไปทางโน่นเองเหมือนกันนะครอบงํามเมืองจีนเสร็จก็น่าจะครอบงํายุโรปไปทางโ น, น่นอีกอ่ะคือกษัตรติย์แต่ละองค์แต่ละองค์นั้นโดยมากแล้วไม่ค่อยอิ่มในแผ่นดินแม้กระทั่งกษัต ร, ริย์รัสเซียกษัตริย์อะไรทั้งหลายเลยเนี่ยโดยมากเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่ถ้าตัวเองพอมีอํานาจแล้วก็มีบริวารมีทหารที่แข็งแกร่งเนี่ยเพราะฉะนั้นได้ข่าวว่าบ้านเมืองไหนมีทรัพย์นะมีทองคํามากร่ํารวยมาก แล้วก็ดูทําท่าจะอ่อนแอกองทัพไม่เครียงไกรก็เตรียมเสียเมืองได้เลยเนี่ยนะเตรียมส่งสวยให้อีกเมืองหนึ่งได้เลยเพราะว่าทีนี้ไอ้กลุ่มกษัตริย์เนี่ยโบราณก็ส่งท่าส่งสกเครื่อหน่วยจารกรรมหน่วยจารกรรมไปสืบดูบ้านโน้นเป็นยังไงบ้างเมืองนี้เป็นยังไงหาข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลาเพราะนนั้ถ้าหากว่าอ่อนแอกษัตริย์เมืองนี้ก็จะยกไปเล่นงานละ มันก็คือสึกชิงวัตถุกรรมทั้งหลายวัตถุกรมสิ่งที่น่าปรารถนาะรูปเสียงรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความโลภโมโทสันเป็นที่ตั้งแห่งความต้องการทีนี้เมื่อต้องการแล้วทำยังไงจะให้สมหวังที่มาของการทําปานาติบาตเป็นต้นสงครามทั้งหลายก็เกิดขึ้นทหารเลวตายมูดเนี่ยนายทหารเลวก็คือลูกชาวบ้านทั้งหลายที่ทเข้าเกณฑ์ น, นี่ยนาย เพเป็นม้างไม่เป็นบ้างพวกนี้ไปตายก่อนเพื่อนอนะงี้นเธอใกล้ๆกับพึ่งงานนะนะถูกเผาก่อนพวกพราะนั้นความเครียดแค้นของพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยแหมมันเป็นเหมือนกับไฟสุม อ, อกอยู่ตลอดเวลาจะต้องทําลายเมืองภัยสาลีแควนวัชชีอันนี้ให้ได้ครั้งนั้นแลพระราชาอาชาติศัตรูผู้เป็นใหญ่ในแคว้นมคตโอรสของพระนางเวเทหิตตรักกับวัสการพรามผู้เป็นมหาอมาตย์ของแคว้นมคต วัสการพราห์นี่เป็นถือว่าเป็นอมาตย์เจ้าเล่ยหน่อยนะเลี่ยเลี่ยมเขาเยอะมากนะเป็นอมาตที่ชั้นเชมีชั้นเชิงมากแล้วก็เป็นอมาตที่เมื่อก่อนเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารครองราชพระเจ้าพิมพิสารก็เกรงใจวัสการพรามเหมือนกันแกก็เป็นคนกล้าพูดนะแกกล้าพูดกล้าทําอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นกล้าด่าพระอรหันต์ก็เอา ก, แก็แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างพยาบาทก็รุนแรงผูกเวนก็ รุนแรงเนี่ยนะทั้งผูกเวรรุนแรงเพราะนถ้าใครไม่เอาด้วยกับแกแกพร้อมจะฆ่าได้เลยนะวางแผนทําลายล้างได้เลยวัสการพราหมีเป็นคนที่ค่อนข้างใจเด็ดแล้วก็ใจเฮี้ยมแต่ก็ฉลาดนลยนะฉลาดมากแล้วก็ตายจากชาตินี้ก็ไปเกิดเป็นลิงนะนะที่ไปด่าพระมหากจัจยนะแหละของนี่แหละวัสพราหมณ์คนนี้แล้วเขาเป็นมหาอัมมา ท, ที่ใหญ่มากเลยนะตำแหน่งเขาใหญ่รองเฉพาะพระชาติชาตศัตรูเท่านั้นเอง ทีนี้พระเจ้าอาชาติศัตรูก็เรียกวสการพราหมณ์เนี่ยมาบอกว่าขอเชิญท่านพราหมณ์เนี่ยนะเรียกเพราะนะยกย่องมากเลยท่านพราหมณ์จงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วถวายบังคมพระยุคคลบาทคือเท้าทั้งคู่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียรกล้าวกราบทูลถามถึงความไร้พระโรกาพาดความคล่องพระองค์พระกําลังอ การทรงพระสัมภาร์ตามคําของเราก็คือไปสอบถามเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเป็นต้นนะว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระราชาอาชาติศัตรูผู้เป็นใหญ่ในแคว้นมคดโอรสของพระนางเวเทหิถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล้าวทูลถามถึงความไร้พระโรคาภาดความกล้องพระองค์พระกําลังการทรงพระสัมภาร์อันนี้เรียกว่าเป็นคำแปล ไปกราบทูลสอบถามเสร็จแล้วก็กราบทูลอย่างนี้เพิ่มเติมว่าพระราชาอาชาศัตรูผู้เป็นใหญ่ในแคว้นมคตโอรสของพระนางเวเทหิมีพระราชประสงค์จะเสด็จไปปราบปรามแคว้นวัชีบบอกเลยนะบอกว่าตัวเองเนี่ยต้องการจะทำศึกสงครามและไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังอ่ะพระพุทธเจ้าซึ่งไม่สรรเสญการทาปาณาติบัตโดยประการทั้งปวงจะทาสงครามเล่าให้พระฟังก่อน พระองค์มีพระดํารัสอย่างนี้ว่าเพราะพวกเจ้าวัดชีทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมีฤทธิ์มากอย่างนั้นมีอนุภาพมากอย่างนั้นเราจักถอนจักทําลายแคว้นวัดชีเสียแล้วจักทาให้พินาฏทําแคว้นวัดชีให้พินาฏทำแคว้นวัดชีให้ถึงความย่อยยับและพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์แก่ท่านอย่างใดขอท่านจงจําเอาคําพยากรณ์นั้นเอาไว้ให้ดีแล้วกลับมาบอกเราเพราะว่าพระตถากตทั้งหลาย หาตรัสสิ่งที่ปราศจากความจริงไม่ในจริงมันเป็นแผนของพระเจ้าอาชาติสตรูอีกวิธีหนึ่งนะแผนของเขาาก็มีอยู่ว่าอาขึ้นชื่อว่าการรบกับคณะเจ้ากับหมู่เจ้าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องหนักมากงานนี้เนี่ยถ้าพลาดเราก็ล่มจมมือนกันเถอะเพราะฉะนั้นพลาดครั้งเดียวไม่ได้อถ้าพลาดเมื่อไห ร, เร่เราเราเสียหายหมดแน่ เพราะการยกกองทัพไปเนี่ยมันหมายถึงว่าแพ้กับชนะถ้าชนะก็ถือว่าคุม้มถ้าไม่ชนะก็แปลว่าแพ้ล่มสลายแน่เหมือนกันเพราะแพ้ครั้งเดียวไม่ได้สงครามครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์แพ้ชนะอย่างเดียวเนี่ยทำไงเราจะต้องไปปรึกษาบัณฑิตสักคนหนึ่งที่เขาสามารถชี้แนะเราได้ทีนี้นบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยที่เหมือนกับพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสุดยอดบัณฑิตเหมือนกัน และพระศาสดาก็ประทับอยู่วัดใกล้ๆใกล้ๆวังเราเนี่ยอยู่ในเขาพิชกูดอยู่แล้วไม่ไกลเอาเถอะเราก็จะส่งคนไปถามส่งคนไปถามคือปถามที่ถามบอกว่าถ้าเรายกกองทัพไปถ้าหากว่าไปแล้วเนี่ยชนะกลับมาพระพุทธเจ้าต้องนิ่งคือถ้าไปพูดให้พระองค์ฟังแบบนี้นะเขาเขาเขาเดาไว้ในใจแล้วเหมือนกับว่าออกโป้ออกก้อยนะคล้ายๆแบบนั่นอนะ บอกว่าถ้าไปพูดแบบนี้เนี่ยนะเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังแบบนี้ว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูจะยกกองทัพไปเองถ้าพระพุทธเจ้าบอกว่ามีประโยชน์หรือว่าพระองค์นิ่งหมายว่าถ้าเรารบชนะครั้งนี้พระพุทธเจ้าจะนิ่งจะไม่ตรัสอะไรทั้งนั้นก็แปลว่าเรายกกองทัพไปได้เลยแต่ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าเห็นว่าไม่มีประโยชน์คือไปแล้วแพ้พระพุทธเจ้าก็คงจะตรัสว่าไปแล้วมีประโยชน์อะไร ทำไมต้องรบด้วยถ้าพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้แปลว่าเราแพนะ้ก็เลยส่งพระสการพราหมณ์ไปลองดูนะเพราะพระพุทธเจ้าพูดยังไงก็พูดแต่คําจริงหมดอ่ะแต่ถ้าไปแล้วมีประโยชน์อะไรถ้าพูดอย่างงี้แปลว่าเราแพ้ไม่ต้องไปรบแล้วแต่ถ้าแหม้ถ้าไปแล้วก็ถ้าพระองค์นิ่งเฉยๆก็ชนะแน่ก็เลยส่งพระสการพราหมณ์ไปที่จริงเนี่ยนะมันก็เป็นบุญของชาวภัยสาลีเหมือนกันนะชาวแคว้นวัดชีที่ทําให้พระเจ้าชาติศัตรูคิดแบบนี้ เพราะถ้าพระเจ้าชาติศัตรูยกกองทัพไปเลยตรงๆเนี่ยยังไงก็ชนะเพราะว่าใจของพระเจ้าชาติศัตรูจริงๆก็เหี้ยมมากเฮี้ยมแล้วก็ขุนศึกเขาเขาเยอะนะพวกทหารเขาเยอะอะไรเขาเยอะก็ยกไปแล้วก็กษัตริย์ไทยาลีก็บรรลุมรักผลซะไม่ใช่น้อยเลยอะ่ะเป็นเป็นเมืองภายาลีเนี่ยนะเป็นเมืองที่อ่าหมู่ชนโดยเฉพาะกลุ่มเจ้าทั้งหลายเป็นพระอาริยาสาวกสัส่วนใหญ่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นกษัตริย์เมืองนี้เนี่ย สมุนร่เข้าปกครองราชการเสร็จเนี่ยนะหลังจากที่เขาปกครองบ้านเมืองหรือว่าประชุมรัฐสภาเสร็จเขาจะนั่งสนทนาธรรมกันนะหลังจากประชุมราชราชการเสร็จก็จะสนทนาธรรมกันแล้วก็แยกย้ายก็จะใช้ชีวิตอยู่ลักษณะเนี้ยประชุมข้ออัดข้อทำปรึกษาราชการประชุมสภาบ้านสภาเมืองปกครองบ้านเมืองเสร็จแล้วก็มานั่งสนทนาธรรมก็แยกย้ายทำอย่างนี้อยู่เป็นปกติว่างั้นใชนี่คือปกติของกษัตริย์เมืองนี้เพราะฉะนั้น ถ้ายกไปยังไงก็ชนะไปรบพระพสุตดาบันเนี่ยยังไงพระสุดาบันท่านก็ไม่ฆ่าเราชนะอย่างเดียวอยู่แล้วว่างั้นเถอะ